แล้วก็หวงพ่อไปเปิดอารมก็หลวงพ่อทำเนี่ยแต่ใครตามตามสู่รหลวงพ่อไม่ได้ก็ไปที่อื่นสอนก็นแล้วแกนคุณต้องตีสี่หรืีห้าคุณต้องออกกําลังกายถ้าวันนี้คุณหายใจไม่ล่มทั้งสองจมูกอ๋อที่ยังคุณไม่เต็มปอดคุณอย่าเพิ่งมาทำํำทำมันยู่อย่างงั้นแหละอ่าเป็นอะไรไม่สบายกับไหนแก้ให้จบ ก, ก่อนค่อยมาทําถ้ามาทําทั้งๆ้งนี้ไม่สบายมันซ้ำเต็มตัวเองนะ เพราะนเราปฏิบ in ัติธรรมเพื่อแก้ทุกข์ใชทุกต้องกำหนดรู้ว่าเรารู้ไหมขณะนี้ร่างกายเราไม่สบายดึกไม่สบายอะไรให้รู้ชัดๆสมุทัยหาสาเหตุเพราะอะไรสมุทัยต้องล้างล้างสาเหตุที่ไม่สบายอันนั้นเสียไม่ว่ากายก็ตามใจต่างๆความไม่สบายสมุทัยความไม่สบายของของร่างกายจุดเนี้เป็นเพราะอะไร มาวิสิตตอนหลังก่อนรู้รู้สึกหนักเมื่อไหร่เนี่ยคนทำงานมาหนักมากต่ลอาชีวิตเนีงง่ยเอ๊ะทำไงมันทําท่าจะไปนาํามาอพื้นหมอาผ้าแล้วต่อไปสี่เท้านขวานะี่ยก็มาแก้แก้เดี๋ยวนี้หายเลยแก้ทางดไฟที่วิทย์ไลท์ที่ ท, ทํารนวะัน่ะแก้ได้ทุกอย่างโรคภูมิแพ้แต่โรคภูมิแพ้นี่โรคประจำเป็นโรควิบากกรรมเลยนะเพราะญาติยายเขาคงจะเป็นมาล่ะก็สังเกตก็ไปแก้ แก้ตัวเองมาได้ไปเข้าคลอดมอเกียวสมดลุลร้อนเย็นอ๋อรู้ว่าร่างกายที่เรามันเป็นผู้แพ้เพราะว่าความร้อ น, ค ว, อนความเย็นในร่างกายไม่สมดลุลกันอเราตีเย็นมากเราตีกลับไป็ร้อนล้วตีร้อนมากล้วตีกับเป็นเย็นถ้าบางคนไม่สลิดไม่กลับแบบนั้นพอมาแก้ก็ยังไม่หายสลิดแต่พอมาแต่มีข้อสังเกตได้อย่างว่า พอเมื่อเย็นจัดเนี่ยร่างกาเงยเราเยินจัดไปกินผักบีบเยอะๆเนี่ยมันก็ความรอนความเย็นมันเกินภูมิแพ้ไม่ดีขึ้นแหะเออเพราะฉะนั้นตอนไหนเมื่อวานนี่ยฉันผักสพไปจานหนึ่งเอออาการภูมิแพ้ไม่เคยดีละถ้าถามว่าเขียวว่แก้ไขต้องไปผ่าศพต้องไปผ่านไฟเพิ่มความร้อนขึ้นมาเพื่อก็เอาไปผ่านไฟไปลวกที่นีดน้ดีเดี๋ยวไปแช่ตัวร้อนก็นได้ได อย่างเงี้ยเทคนิคในการแก้ท่าแก้ขันของเราเราต้องศึกษานะแถวๆนั้นพยายามที่จะหลนเรี่ยงหาหมอยาแต่หาหมอสมุนไพรหาหมอแพททางเลือกเพราะอะไรเพราะเขาจะทําให้เราเป็นหมอของตัวเองแต่ถ้าเราไปหาหมอยาเนี่ยเขาจะทําให้เราเป็นท่าของหมอของยาแต่ไปหาแพทย์ทางเลือกเขาจะทําให้เราเป็นหมอของตัวเองนะเพราะฉะนั้นอยู่นี้แพทย์ทาเลือกมันจะเดินเยอะแยะเราก็ทํา ศึกษา น, ะนี่คือภาคปฏิบัติเพื่อทุกต้องกำหนดรู้ใช่หำหราเรียสัต์รู้อย่างไรรู้ว่าความสบายใน่ากายก็ดีจิตใจก็ดีตอนนี้มันมาจากไหนสองหาสมุทัยสมุทัยต้องละปะหานนะกิต้องละความไม่สบายทางกายนะขณะที่เรามีอยู่สาเหตุมาจากอะไร อย่างแก่เลื้อละเราความไม่สบายทั้งที่ใจสาเหตุมาจากอะไรหาสาเหตุแล้วพยายามล ะ, ละมาได้ถึงเนี่ยทําไปทาํามาเพื่อจะละความไม่สบายแกเป็นสบายใจนะสี่สามนิโรธทำให้แจ้งเป็นผลแต่จะให้แจ้งหมายเพราะว่าทําให้ความปกติปรากฏให้ชัดความปกติมัน เจ็ป่วยแก้ไขได้มันก็เบาไม่ได้แก้ไขมันก็เพิ่มขึ้นอีกก็เปี่ยนอยู่เนี่ยตลอดเวลาไอ้ความจ็ป่วยเนะี่ยมันจะหนักจะเบาแก้ไขได้ไม่ได้เท่านั้นเองทำให้เป็นภาวะการแก้ไขได้ให้ปรากฏชัดนี่เรว่างวิโรธทรรมนี้แจ้งการแก้ไขทุกได้นีน่ทำให้ปรากฏทห้ชัดมะต้องเจริญมะคือวิธีการแก้ไขต้องทําบ่อยๆทํามากๆ ทำเป็นภาววิจารกุณีแกตานะทำให้มากๆทําให้บ่อยๆมั้นั่นก็คือเรายกมือก็ดีสร้างจเหวะก็ดีปรับแก้ไขร่างกายก็ดีนั่นคือมั้เรื่อว่าปรับแก้ร่างกายที่มันดับจากความไม่สบายประกฏุชัดไหมเวลาเรียนสวดเกวราสัทถุการคันทัสะอันตะกียาปัญญาเยหะติ ทำไฉนการทําที่สุดถึงกองทุกทุสิ้นนี้จะพึงปราบชดชัดปัญญาเนธาติปัญญาตรงนั้นไม่ได้แปลว่ารู้ลึกรู้กว้างรู้รอบพอกรู้ก่างฝวางรู้ละเอียดรู้ประณีตแปลว่ารู้ชัดปัญญาในธาตเพราะนั้นปัญญาในโลกุตละแปลว่ารู้ชัดแต่ปัญญาทางปริยัติหือทางอุกิยะจะแปลสารคดษณ์แหละ รู้กว้างรูร้ลึกรู้เร็วรู้ละเอียดรู้ประณีตรู้ทีท่วนก็ว่างไปอันนั้นปรัญญาทางปริยัตแต่ปัญญาทางปรมาภิคหรือทางาลูุตระแปลว่าปรากฏชัดอะไรปรากฏชัดความสบายปรากฏชัดไหมตอนนี้ทุกเริ่มปรากฏชัดเลยอยังถ้าทุกปรากฏชัดท่านให้ละเหตุของมันแต่ถ้าต้องการความปกติความไม่ทุกปรากฏชัด ต, ต้องปรับทําแก้ตลอดเวลา ดังนั้นที่นี้เราก็เลยอ่ามันบางทีมันสอนกันไม่ได้ทุกเรื่องหรอกบอ ก, กไม่ได้ทุกอย่างแต่เราต้องเอาไปทดสอบแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยที่เราจะทดสอบให้ได้ผลจริงจริงต้องมีหลักสองประการคือมีศรัทธาที่จะทํารักที่จะทําพอใจที่จะทําและมีความเพียรที่จะทํา แต่ถ้าเราไม่มีศรัทธาถือว่าไอ้ฉันก็ทําแล้วฉันก็รู้แล้วไปทําอะไรอีกแต่ร่างกายมันมันทำแล้วทําอีกอะ่ะร่างกายเราเคยปวด เ, ว ม, เมื่ อ, อ, นนม อ, มอชั่วโมงเมื่อกี้เดี๋ยวนี้พอนั่งนานๆมันปวดหรือไหมก็ชั่วโมงเมื่อกี้เราก็แก้แล้วทําไมมันปวดอีกอะ่ะทำไ <laughs> เพราะอันนั้นแหะมันเป็นอันจังมันแก้ไม่จบสักทีหรอกตราบใดที่มันเป็นกายนะแต่ขยันแก้ การขยันแก้ขยันปรับนี้ประโยชน์ที่ร่างกายได้ก็คือความเบาสบายมีเวทนาเบาบางมีอาภาร์น้อยเพราะในหลักในโพธิกุมารภทธิราชกุมารสูตรท่านว่าผู้ที่จะปฏิบัติได้ผลไวเนี่ยใช้หลักห้าประการหนึ่งมีศรัทธาที่จะปรับแก้สอง ลงมือทำและพิสูจน์อย่างต่อเนื่องสทํทำให้เวทนานี้เบาบางหรืออาพาธน้อยอสีเป็นคนตรงไปตรงมาไม่มีเงื่อนไขไม่มีอะไรมากมายตรงไปตรงมาคือแก้ก็แก้แค่นั้นเองไม่ต้องมาคิดว่าเพราะอะไรทำไมอย่างไงไม่ต้องปรับแก่ก็แก่เอาตัวรู้สึกว่าเออแกแล้วมันรู้สึกสบาย แค่นิดเดมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมเราเราปฏิบัติเราต้องการความความปกติที่ไม่ทุกข์อ่ะแต่เราไม่ต้องการความสุขหรอกนะต้องความร่างกายที่ปกติที่ไม่ทุกข์แต่ถ้ามันทุกข์ขึ้นมาทางกายเนี่ยเราทนได้ระดับหนึ่งทนได้แค่ไหนทนได้ว่าแค่กายทนได้แต่ากายทนไม่ได้มันจะไอ้ตัวที่หลังจากทนไม่ได้มันจะไหลไปไหนรู้ไหมมันไหลไปที่ใจ อ่ามันไหลไปที่ใจเหมือนน้ําลุนแก้วมันจะไหลไปเนี่ก็ไหลตกพื้นน่อใช่ไหมเหมือนกันตัวรองรับเนี่ยคือใจเมื่อร่างกายมันทนไม่ได้แล้วเราบังด้วยความจิตของเราที่เป็นความเข้าใจผิดแล้วก็ทนทนทนทนทนกดเอาไว้กดเอาไว้อ่าฉันมีขันติความอดทนแค่จะฝึกความอดทนแต่ร่างกายมันอดทนกับเราไหมไม่มันพัฒนาความเปรียบความผลไปเรื่อยๆแหละแต่ตัวที่รองรับไอความที่ร่างกาย รับไม่ได้ตัวคือใจเอามาก็แปลกใจเอ๊ะทำไมก็คิดมันตลอดชีิตเดีย๋ยวนี้ก็ยังคิดอยู่ม่นคิดอะไรกันนั่งมาจากไหนใช่ไหมเราก็แต่เราก็สะกิดใจอ๋อร่างกายของเราเนี่ยมันรับความสบายมาทุกส่วนนะเพราะฉนั้นมันรับไม่ได้หมดหรอกเพราะนั้นเลยจะึงเหลือเศษไปไปไ ป, ไปสู่ที่ไหนไปสู่ใจอ๋อมา จ, จากกายนี่เองนะพราะมันล้นไปจากกาย ทำไมมันถึงไปจากกายเพราะเราบำบัดกายไม่ดีอบำบัดไม่ดีมันก็ต้องลุ้นไปสู่จิตพอไปสู่จิตปรับเราก็ไ ม, เไม่เราก็ไม่ตามเอา อ, อกอีนะะเราก็ก็ทับมันต่อไปเลยมันก็ออกมาเป็นความคิดบ้างพอไม่เปลี่ยนไม่ไม่ปรับมันมันออกมาเป็นความคิดความฟาุ้งซ่านความเง า, คว า, เงาความเบื่อความขี้เกียจความซึงมันจะออกมาในรูปแบบนั้นตอนแรกเราก็ไม่รู้เอ๊ะพวกนิวรณห้ามาจากไหนมันมาได้ทุกวันไม่เคยจบใช่ไหม แก้แล้วก็่กมาได้ทุกวันแต่ถามว่าไอ้ความไม่สบายทางร่างกายเนี่ยมันมาได้ตลอดไหมตลอดตราบใดที่ร่างกายมันรู้สึ่ไม่สบายแล้วไปกดไปข่มไปกัน้นไปทับไปบีบไปรีดมันเนี่ยมันจะต้องไปเจอนิวรณ์ไม่เคยจบนะเพราะฉะนั้นเองก า, เาการเจริญวิปัสนาการวิเจริญวิปัสสนานั้น การแก้ทุกข์ทางกายเพื่อไปบำบัดทุกข์ทางจิตแต่การเจริญสมถะการสร้างทุกข์ทางกายเพื่อที่จะให้จิตมีพลังเพื่อให้จิตมีสมาธิเพื่อให้จิตมีความอดทนลองคนณดอย่างนะสมถะที่เป็นในทางที่ไม่ใช่พุทธเนี่ยมันจะเพื่ออย่างนั้นเพื่อให้มีพลังเพื่อมีความอดทนเพื่อให้ใหกดขมกิเลสให้ให้ตายไปเลยเนะยี่ยแต่พุทธเจ้าบอกว่าไม่ได้แล้ว อย่างมากคุณก็ไปถึงแค่แค่พรมแค่นั้นแหล ะ, ะคุณสมบได้สูงสุดแต่มันคนุณละพูมิมันยังเป็นโลกเยอะพูมิอยู่แต่ถ้าคุณจะเลยไปกว่านั้นถ้าไปสูวริยะภูมิคุณต้องทำอย่างนี้ไม่ได้คุณต้องปรับความทุกข์ของไม่สบาย <c oughs> กายเนี่ยให้อยู่แต่กายอย่าให้ทุกข์ทางกา ย, ยมันล้นไปสู่จิตอย่างนี้เท่านั้นสมถะแบบนี้แล้วม่จะเอื้อต่อวิปัสสนา แล้วตรงนี้มันไปสู่ภาวะที่ความความจริงแท้ทีทุกข์ที่มันที่ไปสู่จิตเอาออกให้ได้จิตของเดิมแท้มันทุกมาก่อนไหมจิตเดิมแท้ไม่ได้ทุกมาก่อนจิตเดิมแท้เศร้าหมองมาก่อนไหมไม่ได้เศร้าหมองจิตเดิมแท้บริสุทธิ์มาก่อนแต่จิตนี้เศร้าหมองไปกุนมัวไปเพราะอะไรเพราะกิเลสใช่ไหมตะเกียดมาจากไหนไง กิเลสคือการไม่รู้เท่าทันความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายแล้วทุกข์ที่เกิดทางใจไหลสู่จิตตรงนั้นคือเรียกว่าอาคันตุกา ก, กิเลสอาคันตุกนีกก้มาจากไหนคันตุกาม็มาจากอายตนะทั้งห้านี้เองนะดังนั้นเองในจุดนี้ยวันนี้หลวงพ่อขอพิสูจน์หน่อยช่วงเช้าถึงเพน น, นะแล้วก็ช่วงบ่ายเอาไปทําเองแต่ช่วงเช้าถึงเพนเนี่ยหลวงพ่อจะสาธิตให้ดูว่าเออทำอย่างเงี้ย ในช่วงบ่ายก็ไม่ได้หวังว่าจะทําแบบช่วงเช้าตลอดนะนะเดี๋ยวทำได้สักพักหรืุก็หลุดไปสู่โมดเดิมอีกนนึ่แหละม่ใช่โหมเดิมเพราะมันขี้เกียจบางคนบางคนไม่ขยันยี่ขนาดนั้นหรอกทําไปทำมาชั่วโมงแรกทําท่าจะปรับได้ดีนะชั่วโมงที่สองยักเหี้ยละแต่คนไหนขยันปรับแก้ไปแก้ไปแก้ไปไม่เห็นคาว่าขยันเนี่ยไม่ใช่ขยันทํานะขยันศึกษาขยันปรับขยันแก้ในสิ่งไหนที่มันไม่สบาย ความไม่สบายนี่กายทนได้แค่ไหนเอาแค่นั้นทีนี้มันยากตรงที่ว่ารู้ได้ไงว่ากายทนได้แค่ไหนตรงนี้แหละคือต้องใช้ปัญญาละ่ะใช่ไหมบางคนความความคงทนของร่างกายไม่เท่ากันนะคนที่อ่อนแอขี้โรคเนี่ยเวทนาไปไงไม่จะขึ้นไวใช่ไหมนั่งสักพักปวดล้วเมื่อยละนั่งยังไม่ทันอะไรเลี่ยปวดแล้วเมื่อยละแต่คนที่สุขภาพดี นั่งดังนั้ น, น, นก็ยังไม่รู้สึกว่าปวดปเมื่อยเลยนี่เพราะนั้นเราจะเอามาตรฐานของคนสุขภาพดีมาวัดคนสุขภาพอ่อนแอนยไม่ได้คนอ่อนแอก็ทํำตามกาลังอ่อนแอของตัวเองนั่นแหละแต่คนเข้มแข็งก็ทํำตามกาลังแต่ทีนี้เราจะพัฒนาคนอ่อนแอให้เข้มแข็งได้อย่างไรได้ต้องพัฒนาไปตามเราอย่าพัฒนาก้าวกระโดด คุณควรจะพัฒนาหนึ่งสองสามสี่ห้าเกบไปเก้าสิบแต่คุณไปพัหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าสิบเนี่ยกระโดดละตรงนั้นข้ามขั้นตอนร่างกายเขาปรับไม่ทันร่างกายปรับไม่ทันก็ปรับคืนเรื่อยๆคุณเคยนั่งได้สองนาทีมันหนักอขอสามนาทีนี่เป็นไงปรับนิดหนึ่งช่วยมันคุณเคยนั่งได้สามนาทีมันหนัก ลองปรับอีกนิดถึงได้ไหมขอสี่นาทีก็แล้วกันมีการต่อรองกับตัวเองก่อนการที่เรามีการต่อรองก็ขยับปรับเปลี่ยนตรงเนี้ยตรงนั้นความไม่สบายของจิตยังไม่แปลเปลี่ยนเป็นความไม่สบายของกายความไม่สบายของกายหรือของรูปยังไม่ทันเปลี่ยนเป็นความไม่สบายของจิตเพราะมันสติเข้ามาบอกว่าเออฉันเขาเปลี่ยนดูจิตก็ปกติอยู่นะ ให้สํารวจให้ชัดก่อนว่าทุกขเวท น, นากายขณะนี้ยังไม่เปลี่ยนเป็นทุกขเวทนาทางจิตเพราะมีสติสามัญญะคอยเฝ้าดูอยู่คอยตรวจสอบดูนะดังนั้นโดยลักษณะการที่เรามารู้ทุกขล้ว ร, รู้เหตุเกิดทุกก็ต้องมาทําให้มันเป็นรูปธรรมว่ า, ท, วาออทุกขณะนี้เราจริงๆมันคืออะไรขณะนั่งมาเนี่ย ความสบายใจมีไหมความไม่สบายใจมีไหมความสบายกายมีไหมความไม่สบาย ก, กายมีไหมดูตรวจสอบอถ้ามันมีอยู่เราก็ต้องไม่นิ่งนอนใจเข้าไปปรับแก้จะโดวยวิธีใดก็ตามแต่ขอให้รู้สึกว่าเออได้แก้แล้วความไม่สบายตรงนี้ได้ถูกแก้แล้วไม่ได้ถูกกดทับไว้ไม่ได้ถูกบีไม่ไดถูก ละเลยไมไ่ถูกเพื่อเฉยไมไ่ถูกปล่อยทิ้งแด่ถูกเฝ้าดูอยู่นะนี่เรียกว่าเพียนตรงนั้นนะคง ว, ว่าประมาทหรือควาว่าอาวิชชาเนี่ยคือการปล่อยปะละเลยสมุทัยคือเหตุของทุกนั้นเรียกว่าอาวิชชาอาวิชชาก็ให้เกิดสังขารอวิชชาคือความไม่รู้เท่าทันความสบายความไม่สบายทางกาย ก็ให้เกิดสังขารสังขารมีสองตัวสังขารกายนั้นละไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติของมันน่ะคืไอไมายความมันจะต้องปรุงแต่งป เ, ป เ, เป็นหนักเป็นเบาเป็นหนาวเป็นร้อนเนี่ยห้ามมันไม่ได้เพราะมันเป็นกฎของไตรลักษณ์สังขารกายเนี่ย <c oughs> แต่มันจะเป็นสมุทัยถ้าเราละเลยมันถ้าเราไม่ตามรู้มันถ้าเราไม่กําหนดรู้มันมันจะ เปลี่ยนไเป็นสมูทัยคือความไม่ชอบอาการของความรู้สึกแบบนี้อาการไม่พอใจกับความรู้สึกแบบนี้อาการไม่ไม่ไม่สนุกด้วยกับความรู้สึกแบบนี้ตรงเนี้ยอาการรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่ชอบใจมันเป็นสมูทัยแล้วลรไปละตรงนั้นแต่อย่าไปละความไม่สบายกายไม่ให้มันเกิดนี่ไม่ได้แต่เราละในส่วนเกินของมันได้ส่วนเกินหมายความว่าส่วนที่เราบังคับมัน ไปละตรงนั้นก็คือปลักออกซะนะแต่ในกรณีที่มันยังไม่ได้ไหลไปสู่จิตเนี่ยเราก็ยังไม่ต้องปรับก็ได้ทำไปเรื่อยๆตรงนี้คือความยากของการปฏิบัติเราจะรู้ได้ไงว่าความไม่สบายของกายมันยังไม่เข้าไปสู่จิตนะตอนนี้ค ว, มม <c oughs> ความไม่สบายของกายอยู่ในจุดที่เราควบคุมมันได้อยู่นะตรงนี้คือรู้ยาก ความประณีตความสุขุมความละเอียดต้องใช้ต้องใช้ตรงนี้ความที่วาโยนิ่สูงนะต้องใช้ตรงนี้ว่าสามารถรู้ได้ชัดๆไหมว่า <c oughs> ความไม่สบายของกายส่วนใดดึงตั้งแต่หัวจุดเท้าเนี่ยมันอยู่ในภาวะที่เราทนได้สบายไหมถ้าทนไม่ได้ก็ต้องปรับละทุกมันแปลว่าทนไม่ได้ใครทนไม่ได้กายถ้ามันทุกกายคือกายทนไม่ได้ถ้าทุกจิตคือเราทนไม่ได้ทางใจ เพราะนั้นสติสมญาติที่เราฝึกเนี่ยเพื่อเอามาใช้ณจุดนี้เองเมาใช้จุดให้เห็นความทุกข์ของกายจำกัดเฉพาะกายอย่าให้ไหลเป็นความทุกข์ของจิตเมื่อใดกายเป็นความทุกข์ของจิตก็ต้องแก้ทันทีเพ ร, ะระาะบอกว่าสมุทัยต้องละคือละความไม่สบายของจิตแต่ความไม่สบายของกายเนี่ยถามว่าไม่ให้มันเกิดได้ไหมไม่ได้มันต้องเกิดแต่ละได้ละโดยการทาอย่างไรคือการปรับนั่นเอง ปรับขยับนิดขยับหน่อยแต่ทีนี้ไอ้ความไม่สบายของกายก็ไม่ใช่ว่ามันจะมีอยู่ตรงที่แต่พวกนั่งทับแค่นั้นใช่ไหมเดี๋ยวขันหูคันตาเดี๋ยวขันจมูกเดี๋ยวแน่นจมูกเดี๋ยวปวดท้องเดี๋ยวหายใจอดึดอัดเดี๋ยวปวดไหลปวดหลังเดี๋ยวปวดหัวทั้งท่านี่เราไม่ได้กดเท่ามันเลยอะแต่มันก็เกิดเนี่ยเห็นไหมเวทนา ม, นมันมีทั่วตัวเลย อ, ะอ่ะไม่ใช่ว่าเราจะไปจ้องปวดปล่อยไอ้แต่ เรานั่งทับน้ำหนักแล้วนั้นแต่เรานั่งหลังค่อมด้งนน้านปวดหลังน่าจยังไม่รู้ตัวแล้วเพราะมันเคยชินเลยเ น, ะนาะนานอ่ะยืดตัวขึ้นหายใจลึกๆหน่อย่ช่วยมันอย่างเงี้ย ไ, ไอการเท่าดูแลปรับเล็กๆน้อยๆไม่ใช่คุณจ้องจะไปปรับขยับเขยื้นไอๆแต่พวกอย่างเดียวไม่ใช่นะเวทนาทางกายในส่วนอื่นมันก็กําลังเกิดอยู่เหมือนกันสังเกตเห็นไหมแค่หายใจไม่ลุกก็เป็นทุกขเวทนาละอ่าแค่ตาคัน เป็นทุกขเวทนาแล้วหูงคันทุกขเวทนาละนะแสบตรงนั้นคันตรงนี้หนักตรงนั้นหน่วงตรงนี้มันเป็นละเพราะฉะนั้นเราถึงบอกให้ทุกต้องกําหนดรู้ไงให้รู้โดยละเอียดรู้ไปอย่างเงี้ยตามรู้ไปเรื่อยๆหลักของอริยศาสตร์เนี่ยเอามาใช้ให้ชัดโดยเฉพาะหลักวิธีการพัวเทียนเนี่ยใช้หลักอริยศาสตร์ตั้งแต่แรกเลยนะแต่เราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ถ้าทําถูกแล้วมันได้ใช้แต่แรกเลยนะค่อยปรับ ไปเรื่อยๆโดยวิธีการนี้ามาทดสอบวิจัยทดสอบวิจัยทดสอบมาเรื่อยๆ เ, เออมันเห็นว่าท่านใช้คำว่าสมุดไทยต้องละคือละอย่างนี้ละให้ชัดอย่าไปนึกเอาว่าเออรู้อ่ะฉันก็รู้สมุดไทยละแบบไหนแหล ะ, ะนี่โรธทำให้แจ้งอะไรมันแจ้งลหล ะ, ะมันไมด้เป็นตัวทฤษฎีใช่มมันไม่ได้เป็นภาคปฏิบัติหรือ practical มักต้องเจริญเจริญแบบไหนอะเจริญอะไรต้องสํารวจไปโอเป็นอย่างนี้เองอสมมตินั่งๆไปเราหาวอดอย่างเงี้ยล้วก็รู้ว่าตัวหาวเนี่ยเป็นกุศลและอกุศลแล้วจะปล่อยอกุศลเกิดต่อไปไหมไม่กิรู้ว่าไอ้หาวเกิดจากอะไรเริ่มตามแล้วทีเนี้ยหาวมีเหตุใช่ไหมพูดถึงเมื่อวานนะหาวหรือง่วงเหตุมาจากอะไ ร, ไรความเพลินในความสบาย ความเพลินและความสบายเราแยกออกไหมว่าความสบายที่จะไม่เพลินกับความสบายที่นําไปสู่การเพลินเนี่ยระดับไหนแยกออกได้ไหมนี่คือใช้ปัญญาอีกละถ้าปัญญาไม่พอจะแยกออกเลยไหมระหว่างความเพลินและความสบายแยกได้ไหม <c oughs> มันยิ่งยากกว่า <c oughs> นี่คือคือที่เราต้องมาเจริญตัวรู้เพื่อที่จะเห็นชัดลงไปว่าเอ๊ะก่อนที่มันจะหาวเนี่ยมันต้องเพลินก่อนก่อนที่มันจะเพลินมันต้องสบายก่อนใช่ไหม ไอ้ที่ช่วงต่อเชื่อมต่อระหว่างความสบายกับความเพลินเนะ่ยมันเชื่อมต่อตรงไหนถ้าเออถ้าคุณไม่สังเกตจริงๆไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยว่าต้องมีปัญญาพอสมควรนะแต่คุณจะปฏิบัติแบบซื่อบื้อทนสู้เอาหัวชนฝานะั้นไม่มีทางเลยนะเขาทำกันมาเยอะแล้วก็ตายกันไปเยอะแล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นมีทางเดียวนะเราจะต้องใช้สติปัญญาเต็มความสามารถและสติปัญญาของเราจะมาจากไหน ก็ที่เรายกแต่ละครั้งเนี่ยมันจะเพิ่มตัวรู้เพิ่มสติปัญญาเรื่อยๆเนี่ ย, ยถ้าเราตามรู้มันถูกนะแต่ถ้าคุณลวกไปเรื่อยๆยู้บ้างไม่รู้บ้างสติพัญญามันก็เพิ่มช้าพ่อไม่ใส่ใจสติปัญญาทางโลกเนี่ยมันจํากัดคุณต้องมีการศึกษาพ่อแม่คุณต้องฉลาดพ่อแม่คุณฝึกฝนอบรมมาดีครูอาจารย์คุณสอนดีแค่นั้นแต่ว่าพอมาสติปัญญาทางธรรมเราสร้างเองได้ สิิปัญญาทางโลกต้องอาศัยคนอื่นช่วยแต่สิรปัญญาทางธรรมเราสร้างเองได้ก็คือการทําอะไรก็ตามเราต้องการให้เกิดปัญญาหรือต้องการให้เกิดตัวอวิชชาตรงนั้นนะ่ะสําคัญการจะไปหยิบแก้ว <S <S มาดื่มน้ําสักทีหนึ่งเนะี่ยคุณต้องใช้ปัญญาหรือใช้อวิชชา <S <S แล้วส่วนใหญ่เราใช้อะไร <S <S อวิชาาวชาทาั้งๆที่มันเราไม่ต้องการนะแต่ทํำไมต้องใช้มันนะ ตรงนี้มันน่าเจ็บใจเนี่ท่านที่ได้รู้นะท่านก็ทําตามนะเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกฝนตัวรู้ให้ชํานาญพอจะแต่ลราตัวอย่ากของเราเนี่ยมันชํานาญมาก่อนเราหลายพวหลายชาติมากเพราะฉะนั้นจะเอาอะไรปับมันมันไปเโดนวัดทัองเลยะอะไรของคุณหมดสภาพเลยอ่ะหมดสภาพเลยอ่ะแต่ถ้าเรามาปฏิบัติแล้วจะเอาอะไรสักอย่างหนึ่งคุณต้องเริ่มต้นที่ไหนตั้งสติก่อนใช่ไหม ก็ยากว่าไม่ใช่ว่ามันไม่ตอบสนองทันทีไม่ได้ตายหรอกแต่ทน ม, มันนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นคําว่าทนเนีน่ยทนต่อความอยากไม่ใช่ทนเพราะร่างกายไม่สบายอย่างเดียวนะทนเพราะความอยากเกิดขึ้นแล้วไม่ทําตามทันทีความทนแบบนั้นเป็นวิปัสนาคือทนต่อความอยากแต่ถ้าคุณไปทนต่อรูปให้มันนั่งได้นานๆอันนั้นเป็นสมถะแต่ทนต่อความอยากเป็นวิปัสนาสมมติร่างกายมันหนักและอยากเปลี่ยน แล้วก็กับคุณเปลี่ยนอย่างรู้สึกตัวเนี่ยอะร่างกายมันหนักอยากจะเปลี่ยนแต่ยังไม่เปลี่ยนแต่ดูมันก่อนลักษณะที่เราทนต่อทุกหนาที่เป็นไปทางกายอย่างนี้เป็นสมถะแล้วก็อยากจะเปลี่ยนเรายังไม่เปลี่ยนให้ทนรู้ไปก่อนเพราะว่าพอมันทนได้อยู่รู้ได้ไงพอทนได้เพราะว่ามันยังไม่ลุ่มล้ข้อไปสู่ จิตอ่าแต่เราเผอความไม่สบายมันล่วงล้ําไปสู่จิตแล้วเราไม่ต้องทนละทีเนี้ยเพราะมันเป็นเหตุละต้องบำบัดความอยากนั้นออกไปนะคืออยากจะไม่เปลี่ยนมันมีสองอย่างนะอยากเปลี่ยนก็อยากจะไม่เปลี่ยนอ่าเช็มไหมสังเกตไหมอ่านั่งไปมันอยากจะเปลี่ยนใจหนึ่งอย่าเพิ่งเปลี่ยนเลยมันจะขึ้นมา ทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าไอ้ตัวอย่างสองอย่างในตัวไหนมันถูกตัวไหนมันผิดคุณต้องใช้ปัญญาอีกละแต่คุณถ้าคุณไม่สํารวจคุณขืนดื้อไปไม่ตัดสินใจทําอย่างใดตรงนั้นเป็นความไม่รู้เป็น อ, อวิชัยละเราเรียกมันด้วยความ อ, อดื้อความอะไรก็แล้วแต่แล่ะแต่มันเป็นอวิชชาตรงตรงนั้นเราจะทำยังไงว่าอยากจะไปห้องน้ํามันมีสัญญาณว่าฉันเบา ฉันรู้สึกอยากจะเบาแล้วนะฉันรู้สึกอยากจะไปห้องน้ำแต่ทนได้ไหมพอทนได้ไหมอะถ้าพอทนได้เออยังไม่อยากไปต้องเอามาตรฐานของร่างกายตัดสินไอ้ความอยากไม่อยากตัวนั้นอนะแต่คุณไปปับ๊บทั้งทั้งที่ร่างกายมันยังไม่หนักขนาดนั้นที่คุณพอทนได้อยู่คุณไม่ทนนะ่ะลักษณะนี้เขาเราียกเราทำตามความอยากเราไม่ทนความอยากตัวนั้นตัวนี้เรียกว่าเป็น กิเลสละเป็นอวิชชาล้นะแต่ว่าคนจริงคุณปวดดับบอลตั้งหลายรอบนะแต่ฉันอดทนฉันยังไม่อยากไปฉันอยากจะดูเป็นยังไงลักษณะความไม่อยากไปตรงนี้เป็นอวิชชาละเพราะร่างกายเขาทนมานานละแต่คุณไม่ไปเพราะคุณจะขี้เกียจหรือต้องการลองมีกันตัวเองอ่าสํารวจลงไปตรงนั้นซึ่งตรงนี้เป็นความละเอียดอ่อนที่เราจะต้องพิจรารณาถ้าเรา เข้าไปพิจารณาปรับตรงนี้ให้เป็นนั่นคือความก้าวหน้าของปฏิบัติที่ว่าปฏิบัติได้แบบนี้เราดรู้เรยวคือรู้เรยวแบบว่าเราไปแก้ไข ป, ป, ปรับความพอดีให้ถูกเหตุนะดังนั้นให้สำรวจไปว่าอะไรที่เป็นผลออกมา ต, ต้องมีเหตุเช่นนั่งฟังไปนั่งปฏิบัติไปนานๆมารู้สึกงมีําคาญมันมาจากอะไรตัวนี้ ถ้าเราทําตามมันงูนิดแกุนิดําคาญตามมันมันกลายเป็นอะไรเป็นสูมูไทยเหตุให้เกิดทุกข์ทางจิตละเป็นความเศร้าหมองละแต่เราเริ่มตระหนักรู้อ๋อไม่ขี้อาการเบือ่ออาการเสงียมแบบนี้มันไม่มีที่ไหนไม่มีไม่มีมมมมนี่แหมันมาจากไหนเนี่ยเริ่มตามหาร่องรอยเริ่มตามหาเหตุของมันมาจากไหนอ๋อท่านบอกว่าตัวง่วงมันมาจากความเพลินไอตัวเบือ่อตัวไม่สนุก ม, นมาจากความอะไร ความเผลอทุกขเวทนาทางกายทําให้เกิดการเผลอสุขเวทนาทางกายทําให้เกิดการเพลินเพราะฉะนั้นสุขเวทนาที่ก่อให้เกิดความง่วงความขี้เกียจแต่ทุกเวทนาก่อให้เกิดความอึดอัดและฟุ้งซ่านต้องรู้ที่ไปที่มาของมันละเพราะว่าไอ้ตัวที่ทําให้เกิดเหตุทั้งเผลอทั้งเพลินเป็นนิวร์ใช่ไหมเป็นนิวร์ การที่เราไม่เข้าเกิดขึ้นแล้วเราไม่จัดการมันทั้งสองทางเกิดเพลินก็ไม่จัดการเผลอก็ไม่จัดการมันไปนเป็นตัววิจิกิจฉาลังเลสงสัยว่าจะเอาหรือไม่เอาจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนจะใช่หรือไม่ใช่จะถูกหรือจะผิดเกิดวิจิกิจฉาแล้วเพราะนั้นนิวรณ์ห้าตัวไอ้สีตัวแรกเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลของของการละกันตัวการมาชันทะคือตัวเพลินเป็นเหตุ ตัวง่วงเป็นผลพยาปทะาาความไม่สบายทางกายแล้วไม่บำบัดไม่ตามรู้เป็นเหตุตัวเพลคิดเป็นผลคืออุทั จ, จากตัวที่สี่เป็นผลฟุ้งซ่านการไม่ชัดเจนทั้งสองอย่างเพลินฉันก็ไม่คอยบำบัดเพลอฉันก็ไม่บอกสุขฉันก็ไม่คอยตามรู้ทุกฉันก็ไม่อยตามเห็นก็ไปเกิดเป็นอุดไอตัววิจิกิจฉาเห็นไหม เพราะนั้นนิวรณห้าเกิดมาจากความที่เราไม่แยกคายในการบําบัดเวทนานั่นเองเวทนาสุขเราก็ไม่ชัดเจนพอเวทนาทุกข์เราก็ไม่ชัดเจนพอนะการปฏิบัติมันไม่บอกมันยอดเยี่ยมจริงๆคาสอนพุทธเจ้านี่แต่เราจะเห็นว่ามันวิเศษตรงที่เราเข้าใจแล้วเอาไปทําได้เท่านั้นนะแต่เรายังไม่เข้าใจเอาไปทํำไม่ได้ก็อย่างนั้นย่งนันไม่เห็นมีอะไรแตกต่างเราจะบอกว่าออคําสอน ไม่ดีไม่ใช่แต่เรายังไม่เข้าใจทีนี้จะทำยังไงให้มันมันรู้ละเอียดชัดเจนก็ฝึกทุกวันทุกวันนี่แหละทุกคนรู้ได้เหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละแต่จะรู้เร็วรู้ช้าขึ้นด้วยใครขยันตามดูตามรู้ตามเห็นใครขยันในการปรับกันเปลี่ยนในการสังเกตใครขยันศึกษาเรียนรู้ต่างกันตรงนั้นบางคนเป็นคนที่มี อ, อุปนิสัยที่ขี้เกียจ ทำอะไรได้ไม่นานสักพักก็เบื่อแล้วยิงคนทุกวันนั้นนี่ยากเลยใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นโรคอ่ะโรคอะไรโรคสมาธิสัน้นความอดทนต่ํานะทําอะไรสักพักก็คือทนต่อต่อความไม่สบายกายไม่สบายใจไม่ได้นานเบื่อเร็วนะก็ต้องพัฒนานะถ้าเราแก้ไขโรคนี้ไม่ได้ในหะมายความต่อไปพุทธธรรมก็จะเสื่อมลงเรื่อยๆ พุท ธ, ธรรมขึ้นอยู่กับว่าเราจะต้องมีศรัทธามีความเพียรมีสติมีสัพพิปัญญาเป็นพื้นฐานที่เข้มแข็งถ้าหากว่าคุณธรรมประการนี้ทั้ง5้าในใจของมนุษย์ไม่เข้มแข็งนั้นอันนั้นคือความเสื่อมของพุทธศาสนาไม่ต้องกลัวว่ า, าศาสนาใดจะมาลุกรานเราเองนี่แหละที่เราไม่ทําตามคําสอนให้ถูกต้องถือว่าเป็นทําให้าศาสนาเสื่อมไปในตัวเพราะาศาสนามันอยู่ที่คนไม่ได้อยู่ที่วัตถุวัตวาอาราม นะตอนนั้นเวลาการปรับเปลี่ยนแต่ละท่าแต่ละจังหวะซึ่งเมื่อวานหลวงพ่สาธิตมันมีกี่ท่านท่าท่าสิบสองนะนะเดี๋ยวเราจะทำกันดูนะตอนหลังจากขันเช้าเสร็จแล้วนะเพื่อให้อ่าเป็นสูตรเอาไวา้ที่มามาเน้นย้ำครั้งนี้เพราะว่ามาเข้าใจสัมผัสสภาวะ รูปนามครั้งแรกเนี่ยทําตัวนี้แหละนะรูปนามที่มันจบนะจบอารมณ์รูปนามนะพอทําตัวนี้ต่อเนื่องกันทีชุดๆละสองชั่วโมงสองชั่วโมงสองชั่วโมงทํามันทั้งวันเลยได้สามสี่ชุดจบาพอตอนเย็นมามันเออสว่างเลยนะชัดเจนเพราะมันได้ต่อเนื่องไปตลอดอ่าไม่ใช่ว่าพุทธุกพุ่นนั่งหุนหันพันแล่นตามความอยากไม่ได้ก็ปรับปรับปรับปรั บ, รบอะไรพอทนได้ทน นะแต่ทั้งหมดทั้งปวงต้องทนอยู่ที่กายแต่ถ้าใจมันทนอยู่ที่ใจคือทนความอยากร่างกายคือทนความไม่สบายจิตใจโดนทนที่ความอยากเพราะความอยากทำให้เกิดความไม่สบายใจใช่แต่การไม่ปรับเปลี่ยนนิยบุตรเป็นเหตุให้เกิดความไม่สบายกายการไม่ปรับเอาความอยากออกเป็นเหตุให้เกิดความ ไม่สบายใจเพราะนั้นตัณหาเป็นเหตุเกิดตัณหาทั้งสามความอยากเราไม่ทําตามก็ไม่สบายใจไม่อยากแต่จะทําตามก็ไม่สบายใจมันมีทั้งส่วนอยากและไม่อยากในตัวนั้นเพราะฉะนั้นตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกหมายถึงว่ามันล้นจากการที่เราไม่แยบคายในส่วนสุขทุกข์ของกาย ที่เราไม่สามารถบำบัดให้ชัดเจนได้มันจึงล้นมาเป็นตัวความอยากทางใจเช่นความเพลินเราไม่บำบัดออกมันก็เป็นความอยากทางใจอยากให้มากกว่านี้ความไม่สบายทางกายเราไม่อยากให้มันเกิดมันก็ไปเกิดความไม่อยากทางใจใช่ไหมนั่นไม่เห็นไม่ผลเกิดในตัวของมันเสร็จเพราะฉะนั้นเราจึงมาเรียนรูปนามยังไง ข้อสองตัวเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดและเป็นเหตุให้ดับ ก, กิเลสในเวลาเดียวกันขึ้นอยู่กับว่าตัวแปลคือตัวรู้ทันหรือไม่รู้ทันเราจะมาสร้างตัวรู้เยอะๆเพื่อให้การตัวรู้ทันให้เกิดความคล่องตัวความชำนิชำนาญรู้ทันทันทีว่าอะไรเกิดขึ้นในกายในใจ แล้วมีสัมปชัญญะคอยสํารวจว่าอะไรเกิดขึ้นนั้นเวลาสวดในสติประฐานสูตรท่านเอาอาตาปีสัมปชานุนะท่านไม่ใช่เอาสติมาสัมปชานูท่านเอาสัมปชานุสติมาหมายของว่ามีการสัมรวจให้ทั่วก่อนว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วสติไปแก้อาตาปีตัวนั้นนะเวลาเราสวดสติประฐานสูตรทุกแห่ง <c oughs> ต้องขึ้นในจุด น, นี้ กายเยกายานุปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปะชาโนสติมาวินัยโลเกะวิชาธุมนัสังว่าเราเฝ้าดูกายในกายเนี่ยดูอย่างไรก็คือมีความเพียรในการเอาสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมาสํารวจทั่วล่างกายว่ามันมีความทุกข์ว่าทุกต้องกําหนดรู้มีความทุกข์ปรากฏตรงไหนบ้างความทุกข์คือความไม่สบายกายปรากฏตรงไหนบ้างแล้วเอาตัวสติไปแก้ตรงนั้น จึงมีคาว่าสัมปชัญญะสติมาเนะพราะฉะนั้นในในในหลักปียตบางจุดท่านเรียงไวช้ชัดมากแต่เวลาในภาคปฏิบัติเนี่ยเราเอาทำไม่ถูกไม่เป็นไรเอาตั้งใช้เอาตัวรู้อย่างเดียวเราก็ไม่รู้รู้แบบไหนล่ะเออรู้สึกมันถูกแล้วนะแต่รู้สึกแบบไหนเนี่ยรู้สึกแบบไม่รู้ก็มีรู้สึกแบบรู้สึกที่ถูกต้องก็มีก็จะมีการสารวจ ถ้าเรารู้สึกอย่างถูกต้องหมายถึงว่าเอาตัวความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเรียกว่าสัมชัญญะมาสํารวจตรวจสอบในขณะนี้ร่างกายตั้งแต่หัวเจ้าเท้าเนี่หนักตรงไหนหน่งตรงไหนไหมแต่ส่วนใหญ่แล้วพอเราหนักหน่วงเนี่ยเราไม่ค่อยปรับใหญ่แล้วปรับเล็กใช่ไหมปรับเล็กนีปัญหายิ่งเยอะไหมปรับฮอรโมทั้งชุดก็ปรับเล็กเ็น้อยไปเรื่อยๆเนี่ยอันไหนมันแก้ ป, ปัญหาได้ชัดเจนกว่ากัน เออตอนนี้ปรับคลมอนะปรับเอาตาแหน่งเคุณนั้นออกกว่านี้เข้ามันก็ปัญหาเดิมอะคอรมอนเปนชุดเดิมใช่ไหมล่ะป้ามันต้งชุดเลยโล่ทั้งชุดเลยยุสภาตั้งคอรมอใหม่เอออย่างนี้ยมันเปลี่ยนแบบพลิกคว่ำพี่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นจําปรับก็มีสองปรับปรับเล็ขปรับน้อยคุณนั่งอย่างนี้มันหนักขยับไปอีกนิดหนึ่งอ่าคุณนั่งอย่างนี้มันหนักก็ขยับนี่เขาเริ่มปรับเล็กแต่ปัญหายิ่เยืะกนะมันไม่ออกหมดหรอกใช่ไหมความปวดหลัง มันก็หายหนักตัวนี้ตัวเองแต่ปวดหลังปวดไหล่ที่มันตุกค้างมาแต่ตัวนั้นมันไม่หมดอ่ะเพราะฉะนั้นคุณปรับเล็กได้หลายๆครั้งแต่อย่าให้มากแล้วพอเห็นท่าว่าไอความเจ็บปวดมันจะตกค้างทั้งหลังทั้งไหลมากขึ้นคุณก็ปรับใหญ่ <c oughs> ข้อปรับใหญ่ก็มีสองใหญ่นะปรับใหญ่ขนาดเป็นนะยะบุตรแต่ถ้าปรับใหญ่แบบใหญ่เลยก็จากนั่งเป็นอะไรอันนี้เขาเรียกว่าปรับปรับใหญ่คือปรับใหญ่นี่มีแค่แค่สี่ชุด คุณยุบสภาไม่เกินสีครั้งนะถ้าเกินสีครั้งประชาชนไล่เลยแค่ครั้งเดียวสองครั้งอันหนักละอันนั้นคือปรับใหญ่คือปรับอิเลโบทสี่แต่ปรับเล็กนั้นในแต่รีโบตมันมีอโบตเล็กอยู่อย่างอิเบทตั้งเนี่ยมันปรับได้ถึงสิบกว่าท่าที่เราปรับเมื่อวานใช่ไหมอ่ะแล้วก็อิเยโบทยืนมันก็ยืนก้วหน้าถยหลังก็แล้วแต่ขนาดคุณยืนก็ขาหนีบตึงขยับหน่อยขาหนีบตึงขยับหน่อย นี่คือขยนันขยนันอย่างนี้ขยันปรับขยันแก้ไปเรื่อยๆถามว่าทําให้เราขาดความอดทนไหมระหว่างคุณอดทนแล้วไม่สบายเลยคุณไม่ต้องอดทนแต่ไม่รู้สึกสบายก็ต้องดูก่อนว่าเออไม่อดทนแต่สบายมันเพลินในติดความสบายหรือเปล่าตัวนั้นก็เป็นความอยากแล้วนะฉันไม่อยากจะไม่สบายเลยปรับไปเรื่อยๆในที่สุดคุณก็อ่อนแอเพราะว่าเพลินในความสบายติดในความสบาย แต่ถ้าฉันปรับเหมือนกันแต่ปรับนานๆทีเนี่ยก็เพลินในความไม่สบายเหมือนกันเอ๊ะเอาอย่างไงอะให้พอดีนี่แหละคือความยากของมันนะเพรรู้สึกเอามันสบายก็เปลี่ยนมันก็ไม่เสียหายแต่ว่ารู้สึกให้เวทนาเบาบางไม่ไม่กลายเป็นท่านใช้คำว่าเอาภาคน้อยและเวทนาเบาบางเป็นเงื่อนไขอันหนึง่งในห้าเงื่อนไข ที่กล่าวมาเมื่อกี้หนึ่งมีศรัทธาที่จะศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังและจริงใจไม่ได้ทำมาโดยเงื่อนไขบางอย่างผมมาได้สมวันผมกือบแล้วนะผมได้มาหวันผมกลับแล้วนะผม ม, น ผ, มวนะผมมีเวลาแค่นี้มันมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างมาขับอยู่แสดงว่าศรัทธาของคุณจ ะ, จะรู้เรื่องเนี้ยไม่จริงหรอกเพราะคุณมาตามเงื่อนไขอันนี้กระบวนกัรศรัทธามีข้อจํากัดก็จะยากขึ้นมา อ, อันที่สองมีความเพียร เพียรอย่างไงที่จะเป็นเพียรที่ถูกหนึ่งคอยเฝ้าระวังว่าความไม่สบายกายไม่สบายใจขณะนี้มีไหมอันนี้อันแรกเพียรที่ถูกต้องแนะ่คอยเฝ้าระวังความไม่สบายกายไม่สบายใจขณะนี้มีไหมเรียกว่าสังวรสังวรรัฐานสองประธานรัทา น, านถ้าสํารวจแล้วปรากฏว่าความไม่สบายกายไม่สบายกาย กำลังเกิดขึ้นณจุดนี้จุดนี้แล้วเข้าไปแก้นี่เรียกว่าประหารออกไปแก่ประหารตัดออกไปอันที่สาพยายามพอกพูนตัวรู้ตัวรู้สึกตัวตัวสำรวจตัวสอบให้เข้มแข็งไว้เสมอเรียกว่าภาวนาประทาน 4. คอยรักษาความการพราะวตื่นรู้สำรวจตรวจสอบนั้น ไว้ให้คงที่ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นี่หลักของความเพียรสี่ประการไม่ใช่คุณจะเพียรยังไงขอให้เพียรไม่ใช่นะเพียรเพื่ออะไรเพียรเพื่อหนึ่งฟอระวังเงื่อนไขที่ไม่พึงปรารถนาไม่ให้เกิดขึ้นสองไม่ให้เกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้เพราะกลายเป็นไปตามกฎของแต่ละต้องเปลี่ยนแปลงต้องตั้งอยู่คือ ด, ดับไปตลอดเวลามันจะต้องเกิดเหตุ เราก็มาใช่กฎข้อที่สองเหตุอะไรที่มันจะเกิดเป็นทุกตัดทันทีปรับออกทันทีนี่เพียงอันที่สองเพียงอันที่สามพยายามปรับความตื่นเนื้อตื่นตัวการสารวจเนื้อสารวจตัวไว้เสมออันที่สี่เมื่อมันปรับได้เข้าที่เข้าทางแล้วดารงไว้สักยาวๆหน่อยนี่นี่เรียกวอนุรักษณา นั้นความเพียรที่ว่าเนี่ยมันจะต้องเป็นความเพียรเพราะความเพียรสี่ถานเราใช้ได้ถูกแล้วเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ว่าสัมมาวายามะจากวิริยะนี่แหละมันจะเปลี่็นไมถ้าเรา ย, ยังทําได้บ้างมาได้บ้างเรียกว่าวิริยะถ้าทําได้ถูกต้องแล้วก็สําเร็จเป็นสัมมาวายามะองค์เดียวกันนะนี่คือเพียร น, นะอันที่หนึ่งคือศรัทธาอันที่สองคือเพียรอันที่สามบำบัดเวทนาให้เบาบาง อย่าให้มันเป็นอาภาษอย่าให้มันความเจ็บป่วยตรงนี้แหละที่มันยากเพราะคนเรามันอยากที่จะให้มันนานๆอยากจให้มันสงบอยากจะให้มันก็มาจากความอยากนั่นแหละแต่เราไม่รู้ว่าแค่ไหนอยากที่ถูกต้องที่เป็นเปทางกายแค่ไหนอยากที่ไม่ถูกต้องที่เป็นไปทางจิตที่เป็นตัณหาความอยากทางกายที่เราตอบสนองมันถูกต้องนะเช่นเวลามันหนักเกินไป อยากจะปรับ อ, อยากจะปรับแล้วต้องดู้ว่าจิตเราว่าอย่างไงการสำรวจตรวจสอบตรงนี้คือขวามยากของมันนะแต่เราก็ไม่ท้อไม่เบื่อไม่ท้อไม่เบื่อเมื่อกี้ว่ามาถึงว่าไอ้ตัวเหตุที่จะให้ปฏิบัติได้เดียวนอกจากทำเบทนะเบาสบายเบาบางแล้วต้องมีความตรงไปตรงมาคือหมายความว่าทุก มันที่เกิดที่กายก็มันตรงอยู่ที่กายนั่แหละอย่าให้เวลาไปสู่จิตความอยากมันเกิดที่จิตก็อย่าให้มันลุเลามาบังคับกายดูตรงๆไปตรงนั้นนี่อันที่สี่นะอันที่สี่คือตรงไปตรงมาอันที่ห้าคือมีสติสัมปชัญญะที่เข้มแข็งไว้เสมอสามารถรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นในกายในใจได้ชัดเจนตลอดเวลานี่อันที่สี่ อันนี้ที่ประการทั้งห้าอย่างนี่หมายถึงที่พุทธิยถาตรัสถึงว่าเออปฏิบัติได้ผลเด็วต้องทําอย่างนี้นะหนึ่งต้องมีศรัทธาสองต้องมีความเพียรที่ถูกต้องสามต้องมีเวทนาบาลสี่ต้อ ง, ต, อ ง, รอ ง, ต, องตรงไปตรงมาห้ามีสติสัมยะรู้เท่าทันความเป็นไปของกายของจิตชัดเจนนี่คือคือที่ท่านกล่าวไว้ว่าเออถ้าทํางนี้ถูกแล้วมันมันไวนะนั่นบอกหลักเอาไว้นะดังนั้นในหลัก การปฏิบัติในเรื่องของรูปของนามเนี่ยทําอย่างที่ที่ตามมาเนี่ยชัดละคือเมื่อก่อนเราทํามั่วไปมั่วไปมันก็ก็รู้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็จับถูกบ้างผิดบ้างแต่เมื่อรวมรวมกันแล้วเออถูกมันมากกว่าผิดมันก็รู้ได้กันแต่มันช้าบางคนก็ลองถูกลองผิดไปเรื่อยอ่ะนะพราะเรามีศรัทธามีความเพียรเมื่อในสติสมาธิปัญญาก็ถูกบ้างผิดบ้างสลับกันไปสลับกันมาแต่คนไหนทําถูกได้มากกว่าก็รู้เร็ว เหมือนเด็หนังสือคนไหนทําคําตอบได้มากกว่าคนนั้นก็ผ่านไวจบไวคนไหนทําคําตอบได้น้อยผิดมันยังเยอะอยู่มันก็ผ่านชา้าตกเยอะลักษณะดเดียวกันในรูปประธรรมนะดังนั้นเวลาเราปฏิบัติเราคอยสำรวจสิ่งเหล่านี้แหละอาการที่เกิดขึ้นทางกายขันนี้เป็นอย่างไรอย่าลืมหลักหลักมันคือกลับมาดูกายความเย็นแล้วหนังแข็งเคร่งตึงมีไหมความเจ็บปวดมีไหมแล้วร่างกาย เราทนได้ไหมทนได้ปากปภาษาก็เลยรีเซตหรือรีเฟล็กอะทำให้มันปลุกอีกครั้งนึ้งหายใจเป็นไงขัดไหมไม่ขัดยกมืออยู่อะไรเหล่านี้แหละในความทุกข์คือความไม่สบายกายมันปรากฏตลอดเวลายิ่งอายุมากขึ้นไปไงความทุกข์ยิ่งปรากฏเร็วใช่ไหมแต่ว่าผู้เฒ่าที่อยู่มานาน คนต่อทุกเหล่านี้จนชินแล้วแล้วไม่อยากปรับแล้วนั่งแช่อย่างงี้แหละใช่ไหมมันทนได้แล้วอะ่ะอ่าอันนี้ทน ถ, ถึงที่สุดมันก็ได้เหมือนกันนะแต่ร่างกายมันส่งไวเท่านี้ร่างกายเขาไม่รับรู้ด้วยแหละแต่คนทห่ขยับปรับเปลี่ยนร่างกายก็จะสดชื่นแจ่มใสได้นานเนี่ยเหมือนต้นไม้อะที่เราคอยใส่ปุ๋ยบนดินลดน้ำไปจับมันก็รู้สึกวแตกหนอ่อแตกแต ก, แตกใบเรื่อยๆ แต่ต้นไม้ต้นไหนที่เราลเลยมันไม่ค่อยรดน้ำไม่ใส่ปุ๋ยบนดินมันก็เพลินฟังหลวงพ่อเพลินนะงูอีกแใช่ไหมไอ้หนูหลับตากว้กวางๆลืมตากว้กวางๆบอกแล้วว่าอย่าง่วงง่วงมาจากความเพลินนั่งจนเพลินไม่ยอมเปลี่ยนหลวงพ่อสังเกตเธอนั่งท่าเดียวนะไม่ยอมเปลี่ยนมาถึงง่วงอย่างงี้นืน่นบอกความจริงกันหยกๆแต่ไม่ทําตามมันก็ไม่ได้หรอกนะเพราะนั้นเวลาฟังหลวงพ่อเธอต้องหลับตาไม่ได้นะเพราะอะไร เดี๋ยวจะไม่เข้าใจแล้วสิ่งที่หลวงพ่อพูดไปก็ไปหลๆห ล, ลงแรงไปจะไม่มีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นต้องพยายามฟังแล้วทําตามนั่นคือประโยชน์ของการฟังถ้าฟังไปพันเข้าหูขวาออกหูซ้ายโดยที่ไม่ปรับตามเนี่ยมันก็ไม่ได้ประโยชน์จากการฟังนะนั่นคือเรียกว่าปัญญาที่เกิดจากการฟังคือเราปรับตาเราปรับไปที่เล่นหน่อยให้ชัด ย, ยิเออเป็นอย่างงี้นะ จำเป็นสูตรเอาไว้ว่าถ้าเราเพลินในความสบายจะเกิดอะไร ง, ง่วงถ้า ง, ง่วงขึ้นมาแสดงเออเราเพลินในความสบายเกินไปง่วงนี่เป็นเหตุหรี่เป็นผลเป็นผลแล้วเพราะนั้นปัญหาเกิด น, นี่เราแก้ที่เหตุนี่แก้ที่ผลแก้ที่เหตุแต่ส่วนไปแก้ที่ผลยากหรือง่ายยากแก้ที่เหตุง่ายเนี่ยมันมันก็เหตุผลไม่ชัดเจนม า, มากๆเลยแต่ทาไมเราไม่ทามา เพราะไม่คุ้นไม่เคยหรือตามไม่ทันนะตามไม่ทันเพราะฉนั้นบางคนตามไม่ทันฉันไม่ตามฉันง่วงดีกว่าก็นั่งง่วงไปอยู่นั่นนะมันไม่ได้นะเรามาปฏิบัติเราไม่ใช่มานั่งง่วงคุณอยู่ที่บ้านคุณง่วงเท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องไม่มีใครมาท้วงเรานะแต่ถ้าออกไปจริงจมันก็ไม่ง่วงอ่ะนะมันก็ไม่ง่วงดังนั้นก็พยายามปรับแก้นะเพราะฉะนั้นเรื่องปฏิบัติเนี่ยทำให้มันสนุก ทำให้ไม่สนุกถ้าทําให้เป็นเรื่องทุกข์เรื่องฝืนเรื่องขืนเรื่องขมเรื่องบังคับเข็นใจเนี่ยโอ้ยไปไม่รอดแล้วเดี๋ยวมันก็เลิกเหตดเลยไม่มาอีกแล้วพแสงเทียนเอาขันมาทรมานแต่ควจริงถ้าหลวงพ่อมีเวลาหลวงพ่ออยากจะอยู่ด้วยตลอดนะทีนี้มาอยู่มานานงานมันเยอะเนาะพรรษานานงานเยอะก็นนู้นนั่งนี้วางนุ่นทำพอสมควรแต่ก็พยายามแบ่งเวลา มาเป็นเพื่อนกันได้ละนะอาทิพิวัตรงานขึ้นที่สีอย่างห้อย่างเออมีปัญหาเรืจิตก็โทรมากันแล้วกันนะทังนี้เพราะว่าเราช่วยคนหลายระดับบางคนบางคนมันทุกข์มันร้อนไม่มีอยู่ไม่มีกินมันจะเป็นจะตายถ้าถ้ามันไปทำบาปทำกรรมก็จะหนักกันแตเออมันมีสถานมันมาวัดมาทำงานวัดก็หางานมาทำหน่อยนั่นเองนะ หรือถ้าหากว่าไม่หางานไปทำเดี๋ม่เป็นผู้ร้ายเป็นขโมยเป็นเร่อสร้างบาปสร้างกรรมเพราะเราเออหางานนะั้นมันทําโอเคมันก็ทําในทางที่ถูกในช่วยหลายๆระดับแบบนี้ดังนั้นในเรื่องของการปฏิบัติเราอย่าให้มันยืดเยื้อยาวนานเกินไปเพราะพระพุทธเจ้าท่านประกันหลักสูตรได้กี่ปีไม่เกินเจปีคุณทําแบบขี้เกียจที่สุดนะเจ็ดปีเนี่ยน ะ, ะแต่ถ้าคุณทําได้ดี้ที่สุดไม่เกินเจ็ดวัน หรือหนึ่งปีหรืสามปีห้าปีตามระดับความขยันของแต่ละคนแต่หลวงพ่อเทียนมันก็ทําให้ถูกยิงยิงไม่ถึงนะเจ็ปีฉันบอกว่าเอากี่ปีสามปีนะสามปีอันนี้ฉันผ่านสาปีมาทําหลายปีแล้วนั่นเนี่ยสันยังเหมือนเดิมอยู่แสดงมันใช้ไม่ได้คุณสมควรจะไปทุกได้แล้วคุณไม่ต้องมาหาเลือกดับทุกให้ยากแล้วเพราะคุณสมบัติไม่พอะสมควรนิดเกิดมาทุกได้แล้วนะ อ่าพอการเว้นสามปีหลวงพ่อทำลูกน้าเบื้องต้นหลวงพ่อทำแค่สิบหกวันนะ่ะอ่าแค่สิกวันรู้เรื่องละอะไรเป็นไรแต่ลูกน้ำบ้านปลายใช้เวลาใชา้เวลาเพราะอะไรเพราะเรื่องมันเยอ ะ, นอะเนาะเรื่องมันเยอะเอาก็ยิ่ยงนั้นแหละแต่พอปฏิบัตินานเข้านานเข้าเราเริ่มเรียนรู้เราเริ่มศึกษาเราเริ่มสังเกตไปเรื่อยเรื่อยหลวงพ่อแต่ปฏิบัติไปด้วยทํา ง, งานไปด้วยไงอ่า แต่เว้นแต่บางช่วงเข้าเก็บอารมณ์ทีละสิบวัน15วันาพาพระไปทุ่งหลงต่างป่าตามเขาทีละเดือนสองเดือนตรงนั้นได้ทําเต็มที่หน่อยถ้าอยู่กับวัดก็งานโน่นนี่นั่นไปเรื่อยๆเพราะนั้นแต่ละปีหลวงพ่อก็จะพาพระออกทุ่งหลงมา่ก่อนนะออกหลวนอกวัดไปทำนอกวัดแล้วก็มีการเก็บอารมณ์สลับกันเรื่อยๆในช่วงที่ออกจากอารมณ์มาก็ทํางานโน่นนี่นั่นจัดการเรื่องปัจจัยสีให้มันเข้าที่เข้าทาง แต่นั้นการปฏิบัติแบบวิธีการวอเทียนเนี่ยมันเป็นปฏิบัติที่ถ้าเป็นตัวเครื่องคือตัวเปิดหมายความคุณจะเดินทางเมื่อไหร่คุณก็จะเฟืองมันนั้นก็ได้คือมันมันมีทางที่จะปรับเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆอ่ะไม่ใช่วิง่งไอ้ตัวที่เปลี่ยนไม่ได้นะราคามันเท่านี้คุณเปลี่ยนไม่ได้อันนี้เราไม่ซื้อตัวแบบนั้นนะมันก็วิธีการปฏิบัติวอเทียนคือคุณจะปรับไปทํางานอย่างนี้ก็ได้คุณก็ล้างแก้วคุณก็ไม่ได้เสียเวลานะคุณล้างอย่างรู้สึกตัว คุณจะเช็ดพื้นคุณก็ไม่ได้เสียเวลาคุณไม่ต้องว่าโอ้ฉันโมได้ทางานฉันไม่ได้ปฏิบัติเลยเนี่ยคุณเข้าใจแบบหันเข้าเทียนไม่ถูกคุณทํางานได้แต่คุณก็ปฏิบัติได้แต่ให้รู้สึกคุณมันไยเพลินไปแล้วใช่ไหมเห็นกูนั่งเดี๋ยวตั้งนานคุณกะหาวอดวอดหน่ยะปรับอีกหน่อยก็แล้วกันขยันด้หน่อยเห็นคุณหลายหาวแล้วนะดังนั้นอย่าทูดซีปฏิบัตินะบอกให้ปรับก็ปรับแค่แค่นั้นแหละนะแต่บางคนทูดซีก็ช่วยอะไรไม่ได้นะ ดังนั้นนะจุดเนี้ี่ยเราศึกษาให้ทําตนเป็นอันนี้ข้อเคลอันหนึ่ขงของหลวพ่อทำตนเป็นคู่ใหม่เสมอไม่หลวงไม่เด้หวพ่อไมนได้คิดว่าตัวเองปฏิบัติมาสามสิบสี่สปีนะเพิ่งปฏบิบัติวันนี้เองถ้าทําใจได้อย่างนี้แล้วโอ้มันที่ทีทมันนะมันลดลงเยอะเลยนะไอความสําคัญมันหมายในตัวเองมันลดลงเยอะเลยตัวนี้เป็นเป็นเงื่อนไขสําคัญไอหนูไปนอนได้แล้วทั้งว ง, งนะทั้งว ง, งไปนอนได้ <laughs> หลวงพ่ออนุญาตให้ไปนอนหนะึ่งว่าคืนนีน้นอนไม่เคยหลับเพราะานอนคุยกันนอนคุยกันหลายคนไม่เคยดีเพราะนั้นเวลาปฏิบัติไปเกวโรงหลวงพ่อแยกในหะ้อยู่คนละบุตรีอย่างที่ลุงคุรุสติเนี่ยเขามีอยู่แค่สิบที่ถ้าสมัครมาเกินส<ม>ี่สิบก็ไม่หลับนะแต่เดี๋ยวนี้มันเกิดมากเกินทําไงหนูขอมาเช้าเย็นกลับก็แล้วกัน ถ้าไม่มีที่พักเอาขนาดนั้นเลยนะอย่างนั้นก็มีเพราะฉะนั้นคนกําลังกะหายเรื่องปฏิบัตินะหายเรื่องปฏิบัติแต่เพราะฉะนั้นในที่นี่พ่อไปจัดต้องมีสถานที่เพียงพออย่างสนพันธ์ดาวเนี่ก็มีกุฏิเล็กๆเป็นสามสิบสี่สิบหลังนี่ะเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติก็จัดเข้าห้องใครห้องมันกุฏิใครกุฏิมันได้เลย <c oughs> แต่ความเป็นส่วนตัวเนี่ยทําให้เราได้พักได้่อนคลายถ้าอยู่กันสองคนขึ้นไปในความกลิ้งความ อะไรต่างมันมีในตัวลึกๆแหละมันรู้สึกไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ปลอดภัยไม่อิสระนะนั้นเงื่อนไขต่างๆก็สําคัญในการปรับแก่นะนั่นวันนี้เชา้านี้หลังจากอระทารเสร็จแล้วเนี่ยวันนี้อนุญาตไม่ต้องทำความสะอาดวัดสวรรค์คงไม่สุกปรกไปกว่านี้แล้วนะ <c oughs> แล้วก็พอทานเสร็จทํานพระส่วนตัวเสร็จอาบน้ําล้างหน้าอะไรเสร็จก็ผู้หญิงไปรออยู่ที่ สัมผูราคามีอาวัศนะไปผู้ชายก็มีไม่กี่คนก็ทําในกุฏิที่ได้จุกลุ่มไปทางเดียวกันหมดนะหลวงพ่อจะได้ดูทั่วถึงถ้าแยกคนที่หลวงพ่อดูไม่ทั่วถึงหลวงพ่อก็จะถือไม้สะอันหนึ่งเนาะ <c oughs> ใครไม่ทําตามก็เอาละป้าข้างหลังเหมือนแบบเส้นนลยนะเขาจะให้นั่งนั่งปฏิบัตินั่งหานหลังใส่กัน อ, อาจารย์ก็จะเดินตรงกลางถ้าใครทํานั่งทำท่าประงกแล้วเดินแบบป้า กลไม่ได้นะครูอาจารย์ไม่ได้นะพออาจารย์ตีป๊อนี่ต้องกราบอาจารย์อีกสามครั้งมาป้องกันปฏิฆะนะจะทนไหวญี่ปุ่นเขาอู่เอาจริงๆนะไม่ใช่ปฏิบัติแบบแบบเรานะทานข้าวนี่ยไมจะไปทานยี่ต้องไหวอะ่ะเราต้องไหวเพราะนคนญี่ปุ่นเขาึงเป็นเศรษฐกิจเจ้าโลกไงเพราะอะไรเขาพัฒนาเด็กเนี่ยเร้าไปดูคลิปไอ้อนุวานเขาพัฒนาตั้งแต่อายุสองสามขวบไปเข้า ฝึกความอดทนนุ่นไปวิ่งกลางหิมะแกลเสื้อแก้พราวิ่งกลางหิมะเพราะเขาฝึกกันจริงๆนะดังนั้นเราก็เหมือนกันนักปฏิบัติธรรมเนะี่ยคงจะอ่อนแอไม่ได้แต่ประการสำคัญให้มีความเต็มใจเต็มใจที่จะทำถ้ามาด้วยความเบือ่อความล้าความเหนื่อยความขี้เกียจแล้วก็ของพ่อว่าหนูแก้ได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้เธอพอกผ้กับบ้านก่อนก็แล้วกันอยู่ไปเป็นบาปนะฮะ เพราะฉะนั้นเราก็พยายามช่วยหลายๆทางนะกาช่วยหลายๆทางขณะที่อยู่ปฏิบัติเนี่ยต้องต้องศึกษาไม่ใช่ทำอะไรให้มากหรอกแต่คุณปรับแก้แล้วก็ทําให้มันตามเงื่อนไขเราทำไงให้รู้สึกสบายสดชื่นตลอดเวลาในช่วงสาสชั่วโมงเนี่ยพอชั่วโมงแรกคุณกำลังท่ากระตือรือร้นฮึดฮัดนะพอชั่วโมงที่สองคุณหนองงอกแล้วชั่วโมงที่สามฉนโอ้โหดุริลุดโดนเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ําเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำ มันแสดงว่าแก้ปัญหาไม่เป็นอ่ะทําให้ปัญหาตกค้างแล้วปัญหาตกค้างก็เกิดความเบื่อหน่ายขี้เกียจสิ่งดีใช่ไหมมัน ล, นล้นด้่ยตกค้างที่ไหนตกค้างที่ใจความอยากมันแรงขึ้นอยากจะพักอยากจะนอนอยากจะเหนื่อยอยากจะเลิอกอยากจะเอาหน่อยๆยังไม่ถึงเวลาพอเข้าห้องน้ําบ่อยๆหน่อยก็ยังดีประมานั้นก็ไปอย่างงั้นแหละนี่เขาเรียกปัญหาตกค้างปัญหาคือความไม่สบายกายมันตกค้างนะ เราก็ตัดตรงนั้นบ่อยๆถ้าร่างกายสดชื่นแจ่มใสจิตใจก็โอเคใช่ไหมจิตใจก็สบายแต่บางครั้งร่างกายสบายหรือว่แต่ถ้าจิตมันไม่สู้จิตมันไม่เอาอันนี้ก็ยากเลยนะบางทีปัญหาจิตมันเกิดในตัวของจิตเองไม่ได้มาทางกายก็มีสังเกตให้ดีจิตมันสร้างปัญหามันเองขณะนั่งสบายนอนสบายมัยังจิตมันก็ยังคิดปุงแต่งฟุ้งซ่านอย่างนี้อย่างนี้แสดงว่ามันก็สร้างปัญหาในตัวของมันเองจิตนะ สังเกตและศึกษาให้ดีโดยเฉพาะคนหนุ่มคนสาวยุคใหม่อยากให้ศึกษาเรื่องนี้ให้ดีเพราะต่อไปเราไม่ได้อยู่กันขนาดนี้แล้วไป ไ, ปไกลกว่านี้มากาการปฏิบัติถ้าเราไม่ฝืนฝนไม่อบรมไม่ปรับให้เนี่ยเราก็จะตกยุคหลังเราก็จะไปไหนไม่ทนันคนรุ่นต่อไปเขาจะไปไกลกว่านี้เขาจะปฏิบัติได้เร็วเขา้าใจเรืยเร็วโลกภาษีอ่านก็จะเกิดขึ้นไวอ่ะต่อไปอยู่ที่ว่าคนทั้งหลายปฏิบัติเข้าใจ เพมนมีเทคโนโลยีต่างๆนะเมื่อ30มสห้าสิปีก่อนใครจะไปรู้ว่าเราถีบจักรยานกระแต๊กระแตกมังกรมาเป็นโบลตไซส์ใช่ไหมเดินตามคนวัวควายไถนาเดี๋ยวนี้ไม่เห็นหัวควายในทุ่งเลยอ่ะเออมันไปขนาดนั้นน่ะใช่ไหมเดี๋ยวนี้คุณเอาเงินเข้าธนาคารคุณไม่เคยไปธนาคารเลยก็คุณไปซื้อของคุณไม่ต้องไปร้านเลยก็ได้ของมาถึงบ้านอ่ะคุณก็เอายกธนาคารมาที่มือถืออ่ะจะว่าไงเออมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะ นะดังนั้นก็วันนี้นะขอพิสูจน์กันหน่อยนะช่งชวงเช้าถึงเพลงเดี๋ยวช่วงบ่ายให้ไปทำเอาเองดูก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจที่พวกเราทั้งหลายต้องตั้งใจผู้ศึกษาเรียนรู้แก้ไขบาบัดทุกกายทุกใจของตัวเองให้สำเร็จเสร็จสิ้นภายในชีวิตนี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านถือ